ตัวอย่างอีกเรื่องก็อย่างเช่นเกี่ยวกับความรักและเพศสัมพันธ์นะครับคนเท่านั้นที่จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เพราะความรักหากเรามั่วสามารถหลับนอนกับใครก็ได้โดยไม่มีความรักในชาติเนี้กรรมเขาจะส่งให้อยากเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเจอก็แต่คนที่อยากเสพแต่ทางกายเหมือนกันเมื่อเสพกรรมแบบไร้รักก็ย่อมเจอแต่คนไร้รักแต่แล้วก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างหยหาในความรัก และแม้เจอคนดีที่รักจริงก็ไม่สามารถจะคบหาและรักตอบได้นะครับหรือไม่อีกฝ่ายก็ไม่อยากรักด้วยเพราะต่างคนก็ต่างเคยชินในความหลากหลายความตื่นเต้นในการเปลี่ยนคู่รวมถึงรู้สึกได้ถึงความไม่สะอาดของตนเองไม่มีความภูมิใจในตนเองขยะแขยงตัวเองจนไม่กล้า ค, คบคนดีๆนี่แหละครับที่มาของคาบอกเลิกที่ว่าดีเกินไปจริงๆนะครับ คนชั่วเนี่ยมันคบคนดีไม่ได้หรอกรู้ว่าดีแต่ไม่มีสีสันไม่จีดจ้าดไม่โดนใจหากคุณมั่วการแบบไร้รักในชาติหน้าจิตเขาก็จะสะสมข้อมูลให้ไปเกิดในภพของการที่ร่วมรักกันได้โดยไม่ต้องอายไม่ต้องมีความรักไม่ต้องนับญาติเบาหน่อยก็เช่นไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเพราะพวกเนี้ยสังเกตไหมครับ ว่าเขาจะสามารถมีอะไรกันได้โดยไม่ต้องรักกันหนักขึ้นมาก็ในภพของเปรตจำได้ลางๆนะครับว่าคุณดังตรินเขียนไว้ประมาณว่าให้ลองนึกถึงสภาพของสถานที่ที่มีแต่การเปลือยกายร่วมเพศคละคลุค้งไปด้วยกลิ่นน้ำกามถ้าต้องอยู่แบบนั้นทุกวันตลอดไปนานเป็นปีๆมันจะเป็นสถานที่น่าบันเทิงหรือน่าขยักขยง คือจิตเขาเลือกสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสถานที่เกิดใหม่ชาติหน้าให้เหมาะสมแล้วกับสิ่งที่คุณกระทำในวันนี้นะครับหากคุณมองกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของการสะสมข้อมูลในจิตแล้วจิตเป็นผู้สร้างร่างกายปรับสภาพแวดล้อมและดึงดูดสิ่งต่างๆเข้าหาเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการคิดว่ากฎแห่งกรรมคือการลงโทษจากสิ่งที่มองไม่เห็น กรรมเขาไม่ได้ลงโทษใครแต่เขาทำตามหน้าที่ที่เราสะสมข้อมูลไว้นะครับเหมือนเราเอามีดกรีดแขนตัวเองมันก็เป็นแผลเป็นทุกข์ไม่ได้มีใครมาลงโทษเราจิตสะสมความดีมีความปล่อยวางส่งผลให้ฝันดีจิตสะสมความชั่วมีแต่ความยึดมั่นส่งผลให้ฝันร้าย แม้ทำดีแต่ไม่รู้จักปล่อยวางก็เครียดเป็นอกุศลจิตทำดีก็ฝันร้ายได้เหมือนกันจิตสร้างภาพในความฝันได้แนบเนียนจนคุณหลงลืมไปว่านี่เป็นความฝันเหมือนหลุดไปอีกโลกได้อย่างไรจิตหลังตายก็สร้างภาพสร้างสถานที่สร้างสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ต่างกับความฝันแถมแนบเนียนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ าคุณสะสมพลังงานความดีในจิตไว้มากเท่าไรตายไปจิตก็จะสร้างสิ่งต่างๆได้งดงามเหมือนคุณได้ฝันดีอันยาวนานแต่หากคุณสะสมพลังงานไม่ดีความชั่วต่างๆไว้มากเท่าไรนรกที่คุณอาจคิดไม่ออกว่ามีสภาพเช่นไรก็ให้นึกถึงสภาพที่คุณต้องฝันร้ายแบบน่ากลัวสุดๆและไม่สามารถตื่นได้นั่นแหละ ตัวอย่างของพลังงานของจิตอิสระภายในที่เขาจะสร้างสิ่งแวดล้อมและจัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณสะสมไว้ตั้งแต่หลายชาติที่ผ่านมาจนถึงวินาทีนี้นรกสวรรค์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อหลอกคนให้ทำความดีกลัวบาป แต่มันเป็นการบอกให้คนรู้ความจริงเพื่อจะได้ไม่ต้องตกไปสู่ที่ต่ำไม่ต้องทุกทรมานเพราะความไม่รู้แนะนำให้ฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์ของอาจารย์พรรัตนสุวรรณนะครับซึ่งอธิบายเรื่องพวกนี้ไว้เข้าใจง่ายและละเอียดมากหากเข้าใจจริงๆว่าการสะสมข้อมูลที่ดีให้จิตใต้สำนึกส่งผลมากมายเช่นไร ก็จะเข้าใจว่าบทสวดปลาไทยล้วนในซีดีแผ่นนี้แม้เปิดฟังอย่างเดียวก็จะส่งผลมากมายกว่าที่คิดแค่ไหนการจะไปเกิดเป็นอะไรสําคัญที่สุดคือจิตสุดท้ายก่อนตายจิตสุดท้ายก่อนตายจะคิดถึงอะไรจะผ่องใสหรือมืดมนก็ต้องอาศัยการกระทําตนมาตลอดชีวิตว่าสะสมความดีความชั่วม า, มามากน้อยแค่ไหน เหมือนคนที่จะฝันดีได้ก็ต้องสะสมความดีติดในสันดานมาจนเป็นนิสัยคนจะฝันร้ายก็ต้องสะสมความโกรธความเครียดความเห็นแก่ตัวมามากพอที่จะไปอยู่ในโลกแห่งความฝันแล้วก็ยังเป็นคนเดิมยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมในฝันเขาก็จะทุกข์เพราะเป็นคนมากโกรธเหมือนตอนตื่นหากเข้าใจจริงๆว่า การสะสมข้อมูลที่ดีให้จิตใต้สำนึกส่งผลมากมายเช่นไรซึ่งเราสามารถสะสมข้อมูลดีๆให้กับจิตใต้สำนึกได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกายวาจาและใจและหากจะได้ผลจริงๆก็ต้องทำบ่อยๆเป็นประจำกระทำด้วยจิตที่แน่วแน่มั่นคงโดยเฉพาะในเวลาที่จิตเป็นสมาธิหรือจิตกำลังสงบก็จะทำให้การสะสมข้อมูลได้ผลมากยิ่งขึ้น หากจิตเคยชินกับการฟังหรือหลับไปพร้อมกับความนอบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและคุณธรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นการซ้อมตายไปพร้อมกับจิตที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต่างอะไรกับการหลับและฝันไปในคนทั่วไปก็เท่ากับหล่อเลี้ยงจิตด้วยพลังงานกุศลที่ส่งผลให้จิตสว่างยกระดับจิตสูงขึ้น ซึ่งพอจิตใจเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลดึงดูดคนดีๆและสิ่งดีๆเข้าหาเสริมพลังสมาธิจิตใจสงบก็จะคิดอ่านได้ลึกซึง้งนำมาซึ่งสุขภาพจิตและกายที่ดีส่งผลให้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกทางในรายของคนป่วยนะครับหากมีศรัทธาที่มากพอโรคก็อาจจะหายได้ และถ้าหากบังเอิญจะต้องจากโลกนี้ไปจริงๆก็จะไปสู่สุคติได้โดยไม่ยากเพราะจิตคุ้นชินกับสิ่งเป็นมงคลก่อนนอนหลับทุกวันอยู่แล้วท่านสามารถเปิดฟังเองหรือเปิดให้ลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนป่วยฟังได้สําหรับเด็กเล็กอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับสามารถเปิดให้ฟังตอนนอนหลับได้เช่นกันขณะเราหลับ จิตต้สำนึกเราอย่างทำงานอยู่สามารถบันทึกสิ่งต่างๆเข้าในจิตได้นะครับมีงานทดลองยืนยันนะครับว่าคลื่นเสียงบางอย่างเนี่ยมีผลต่อพัฒนาการทั้ง EQ และ IQ ให้กับเด็กและคนทั่วไปได้แม้จะฟังขณะหลับหรือเป็นเสียงในระดับความถี่ที่หูคนปกติไม่ได้ยินก็ตามหากคนขี้เกียจสวดไม่มีเวลาสวดขอแค่เปิดฟังก็ยังดีนะครับขอร้องว่า อย่าอ้างเลยครับว่าไม่มีเวลาคนตายเท่านั้นแหละครับที่ไม่มีเวลาจะทำความดีจะสวดมนต์ฟังธรรมะได้อีกแล้วและถึงเวลาตายไปจริงๆก็จะมาเที่ยวหลอกหลอนผู้คนให้เขาทำบุญให้อย่ารอให้สายถึงขนาดนั้นนะครับทำบุญให้ตัวเองซะ ง, ง่ายๆวันนี้ไม่สวดขอแค่ฟังก็ยังดี ยิ่งทายไว้อีกนิดนะครับสำหรับชาวพุทธทุกวันเนี่ยเราไปไหว้พระสวดมนต์เรากราบพระพุทธรูปเคยถามตัวเองกันบ้างไหมครับว่าเรากราบใครอยู่เรากราบพระพุทธเจ้าหรือเรากำลังกราบเทวดารักษาพระพุทธรูปไปวัดไหนนะครับก็มีแต่คนบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตหลวงพ่อขาวหลวงพ่อนุ่นนั่นนี่สาหรับผมเนี่ย จะหลงพ่ออะไรผมก็เห็นเป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกแทนพระพุทธองค์นะครับพระพุทธรูปตรงหน้าคือสิ่งสมมุติแทนพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงพระาศาสดาอันสูงสุดของพวกเราไหว้พระกราบพระให้ถึงพระพุทธเจ้ากันด้วยนะครับ การไหว้บูชาความดีของเทวดาก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนเด็กควรเคารพผู้ใหญ่แต่ก็อย่าเผลอไหว้จนเห็นเทวดาเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าจนทุกวันเนี้ยคนพุทธส่วนใหญ่ไหว้พระพุท ธ, ธรูปถ้าไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้ากันแล้วนะครับมองแล้วก็เหมือนพระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงหน้าแม้จะเป็นแค่สิ่งจำลองแทนพระองค์ก็เถอะแต่เรากลับไม่เคยสนใจ เปรียบเหมือนเราไปไหว้ไปสนใจแต่โยมอุปถากหรือในที่นี้ก็คือมัวแต่ไปไหว้เทวดาที่ท่านรักษาพระพุทธรูปอยู่นั่นเองผมคิดว่าเทวดาท่านคงเขินเหมือนกันนะครับหากมีแต่คนไปไหว้ท่านและไม่ไหว้พระพุทธเจ้าไม่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนท่านแต่ท่านก็คงจนปัญญาจะมาบอกกล่าวให้คนรู้นะครับเทวดาท่านเองก็ยังต้องก้มกราบพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนกัน ก็ฝากให้คิดกันนะครับว่าใครสำคัญกว่ากันและควรจะกราบใครควรจะระลึกถึงใครก่อนกันสำหรับเสียงสวดมนต์จากซีดีแผ่นนี้หวังว่าทุกท่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไม่มีเวลาฟังธรรมะหรือไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรมนะครับเย่างน้อย แค่เปิดฟังก่อนนอนและหลับไปเลยก็ยังดีกว่าที่ว่าจะให้ชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีจะไม่เคยให้สิ่งเป็นมงคลอะไรเข้าไปในสมองเลยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจริญใทนทําการทุกคนนะครับโจโจครับ